นี่ครับผ่านพอพังพอพางพอพันบุรโทธโมทั้งก้บุษราเขาองเก้าเขาบูษากิเลศน่นให้พระพุทธเจ้าเขาก็ได้มากดอกใหม่ดอกบุษาพุ่นเพนเพลินพุ่พระพุทธเจ้ามันดอกใหม่หจังเอามาบุษาเพล่นพระพุทธเจ้าเวีนหงอจังระจายไฟเพลินน้อยสั่งบอกวิเมียนคือจังวพระพุทธเจ้าเพล่นคิมากินเขาจังไรวะสั่ เอาเขาไปบูซาพ้นให้ยัง้งไว้แต่เ น, นีาบูซาคุ้นแ่นี้คือการาบูซาคุ้นคนเอาเม็ดสาวบูซาสิเ ว, นว่นเ่อไรหน้าอบุวันหน้าบูซาดอกบัวพระองค์พระปฏเกิดมากพบได้พาศาส์ได้ให้พวกขาเป็นสีไก่คือสีดอกบัวไงไม่ได้เป็นสีไก่คือสีดอกบัวมากต่งางฮาลอดาสตร์ทิทกันเพราะฉะนั้นซีวาน่าอบุวันหน้า วันหน้าแปลวันละวันละคือซีหลกบัวการท่องเที่ยวในวันตาสงสารบรนลงค้องแน่นอนกัวศิริมาเป็นคนที่พอไอเมยเ อ, อ้ยอวบันอากีขันเป็นคนแล้วประเฮ็ดขาดทุนกัวจิตตปีนคือว่าเป็นคนอีกอาบันอีกแหละ การไปเป็นสัพย์เจราชาในข้จะปีนขึ้นมากเป็นคนอีกพอแห้งกาไปตกนรกมกใหม่จนอนั้นตระกรารหาไปตกมรรคกวาดปีน้นมาเป็นคนออีกโอ้ยพ่อยไม่ไอ้ไปจกักไปจกักภบจักกาศไปจกักอยจักปีจักเดือนไปจักจักกลับจักกันแหละขึ้นเบื้องพระเทวทัตสรามรรเมได้สองอสงไขยละย่งแสนกลับ จะไมาเป็นพระปฏิปเสธตอันเขเรียกอาบันิพานแต่นี่ไปหาสัตวเสิ่งมใตใจแต่เมื่อโตอันนั้นน้องนน้อยบอกนับเป็นปีแนม่มนุษย์เนี่ยตั้งล่านล่านผลกว้ไปเอกแล้วบอกยังไมันของไก่เลยเขาบอกคือเป็นไก่เลยพระเจ้าจิตสิพระองค์ชิมามือม่นอนี่ก็คือกัน ปปมาาีพระพุทธเจ้าทำน้าไว้ชิโป่งชิมาทั้งนาพระพุทธเจ้าทำหนานี่พระุเจ้าหอง้านี่ยทำนาไว้ไม่ซุมมาทางนากทำน้าไปอีกชิมาอะดโอ๊ก็ทำหน้าไปอีกทกนเป็นทำคำสอนอันเดียวกันเบดเบียดเปรี้ยงเลยจักอันเลย อริยสัจสี่อันเกา่ามาเทศสนากับมาเทศอะไรธรรมจั ก, กขป ว, วัตนสูตรอันเก่าขนากว่าเสียงมรดสานากับนี่กับของพระเจ้ากูกูสันโธกับพกกูสันโธโง่หน้าพระพุทธคก็โล่ก็โมอริยเมตตาโย แล้วก็ยังเป็นศูนย์ยกระดับอีสการศูนย์กรับอีสการฝากรพะกระอธิยมตตายโยนีแล้วพระพุทธรูปของพระเจ ด, ดีย์ทั้งหลายที่ไปร่วมไปร่วมกันเยาวบนรไม้ชีมหาโพธิ บนตบนุทคัคยาสิบแปดวันดานเป็นพระพุทธเจ้าอ ง, ง ค, ค์ห น, นึ่งคืนผานสิทเทศดเลเจ็บวันเจ็ดขึ้นเนื่ยวัฏฐานนิ่พาดนเนี่ยก็เลยนิ่พลาดมดกระดูกกระดิ่งมันวา ย, ยัง่งนี่เลยสิกลายเป็นสุญญากับหรอฮะเนี่ยอันสุญญากับน่มันไม่โดนอะไรวะท่นมันกระโดดซ้าการะคูสั้โทษมหา พระเสี้าเมตไกโยคุณเลยอ่ะสมเด็ับหลวมีศาสนาพวกพุทธวัตรยังรู้วอส่ยังรู้พวกพุทธวัตรพวกค่มยังรู้พออายุยืนได้พวกเนียาวาสังสารวัตรหมีเงินต้นเงนินปลายกาโอคะโอค ะ, ะคือกาม โอฆ่าคือกามกาเตปัตนะภาวะปัตนาวิภาวะปัตนะพระโอฆาโอพระคะคือพบพบลูกประพบอารูป พ, พบทิพโถคะโอฆะคือทิถิทิเทีันเห็นพิษเห็นว่าตายจะศูน่ะอวิชโชคะโอฆ่ ค, คืออวิชชา อวิชาโมรูในทุกโมรุเนียทุกคาถาโมไทยโมรุในทุกคาเนโร่โมรุในยทุกคาเนโรนขนโะขามีนี่ปฏิปัติธาโดยใจข่วมดือน้อมากโมรุละบาปบำเพ็ญบุญวาุลน้อมาจัดเป็นโอกโอกอกขะจัดเป็นห่วงน้าเป็นห่วงน้าโยคะสีเจ้าอกกายโยคะ โยคะคือการภาะวาโะโยคะโยคะคือพบทิพโธโยคะโยคะคือทิฏฐิอวิชโยคะโย ค, ะ, โยคะคืออวิชชามีความหมายอันเดียวกันสัตว์ผูท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารอยากเห็นอย่างมันกับว่าเห็นในโลกอัน ก็มาเห็นแกเกิดแต่แกแกเก็บแกตายแกหิวแต่อยากแต่เว้นแกไพ้ไอ้นี่พวกในโลกอันนี้มันบรรจุแ่อันนี้จะไปเห็นอันอื่นอีกมันก็มาเห็นละเห็นแกได้เห็นแต่เสือเห็นแกกลิ่นเห็นแกขี่เห็นแกนั่งเห็นแกนอนเห็นแกโลกเห็นแกโกรธเห็นแกหลงเห็นแกข่าว่าซัอนลั่นแทงกันนี่แหละของปนิพัทธ์มันก็มีเด้มัมีแค่นี้ผู้ได้ท่าถึกเป็นท่อนท้างเขาซูพปนิพัทธ์ผู้ได้ท่าพิษก็เป็นท่อนทางลงนรก มนุษย์โลกเขาสร้างไว้สร้างเองสอนโลกเขาใช้เป็นผู้สร้างเจ้าของผู้เจ้าสร้างเองเทวโลกไขใช้เป็นผู้สร้างเพราะผู้เป็นเจ้าเจ้าของเราเป็นผู้สร้างมรคนิพพานไชเป็นผู้สร้างเจ้าของเป็นผู้สร้างมรรคยมเทวสานสร้างมรรคเทววุฒิธรรดาสร้างวิมานในสวรรค์นี่ยมันมไชเป k k ็นผู้ส <Kay>. ร้างเจ้าของสร้างไว้นิพพานไช้เป็นผู้สร้างเจ้าของสร้างเอง โรคโกดลงมันไฝเป็นพุทธสางจะพ้องสางเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำขังซสือพอสี่ทางของเสืออันนี้สองชิ้นหาอันนี้สงขอนึงเกิดมาเป็นคนมามีโลอันนี้สงขอบวาลวงละเมิดข้ารัตตสิวิตัน เป็นคนมีอายุยืนเป็นคนมีลูกสวยอันนี้สองขอหนึ่งขอป่าหน้าว่าคาทัศน์เนี่ยเป็นคนไ่มีโรคไม่มีโรคแต่ไม่มีโรคซาลาเนี่ยเดียวข้อที่สองอันนี้สองเส้นหาข้อที่สอง ไม่พบไม่ทราเกิดว่าพบได้สาัาบไดม่มีผู้รักชิงรักของถิ่นไดนวนไหก็ไม่ีผู้บันดานรักไม่มีผู้บันดานกี่ไม่ีผู้บันดานพล่นไม่เนี่ยติีเนี่ยมือก็สวยก็งามจบเพราะบริหารของผู้ใดอันนี้สองชิ้นหาคอสาม อนี่ยคันวเวนขอนึงไหนบอกขอนึงก่อ น, อนอเกิดมาถึกแ่เข้าขขาตายงาย่ายตายไปแล้วไปตกมรหกออกมาเป็นเพศเป็นผีกระถืกจายย่อมพิบาลเอาเล็กแดงตีหัวทุกหัวห้องโอ้ยอยัง่ะ ว, วิ์กรรมอันนั้นแล้ว มาเป็นทรัพย์เจริสารกระถือแต่เข้าขาอย่างนแนวรหาห้อยซาดแนวรหาห่อยซาดแนรหาห้อยซาด ต, ตายหงยูซ้ำั่ะโทษเรื่องการคาเนี่ยสย่เพืนึงอายุประมาณยักสามสิบพระพุทธเจ้านางห่งห ม, มหมกกลุ่มหรือหมหยัางหรืรื่ไปขามา ก, กาบหลาย โอ้ยพู้พอแม่ผู้ข่านยตายมาว่านเนี่ยผู้ขาเรี่ยงขาแพะเรี่ยงสองโตเฮ็ดเนีอิ่มน้ำซ้ำล้านนะจ๊ะ บ, บุญทิดถึงพอถึงแม่ผู้ขาบอว่าจ๊นะแล้วนะพติธเจ้ถามเที่ยงเขาพุติเจ่ากับว่าปากมีพิกไปยังสี่ระวังาางานุ่พระหัเที่ยพระตบน้ําพระคือที่เคยเห็นพ่รุธจังว่าพระต๊บนัํานางพริรไปยังสี่ นำ้นำออคัาวน้หม้อเพื่อนยาเขาเริ่มสติว่านนอุขภาพยังไงไกล อ, อีกทีกน้าห้อรอดสี่พระท้าเริ่มหรอฮะักธิอาชเพื่อนได้เคยเห็นพรุษเนี่ยเพิ่งจมาตกนออ้าหา้อนพอแม่ผูคาที่แตบุญม่อถามทางที่นึงคุณที่ับเขาบอกวนางซาย ครั้ ง, งที่สองคนทีเจะะะาะขปากนางเตเก็กีอาจารย์พลวากานถ้ให้บุคคลมาให้สังคมกินอิ่มน้ำสำลักมันในบุญร้ายขอนอยอะไรั่งเม่ไปให้หั่งพ่อแม่ขอนอยเสียบ่ะไรกินน้ามอ้วนใช้เมือก้ินอิ่มตอนกันกเท่ยวแะลท้ว่าสองโตอะสั่งครั้งที่สามเนทเจาะอะไรมืดตาเลนนเอ เจ้าสด็ไปตายรึเปลาหาวิกินรกไว้จ้ตายไปพ่อแม่ใหเจ้าก็ บ, บ้รับไว้จ้เจ้าขาผู้อื่นมาเป็นบุญเจ้าเฮ็ดนั้นไม่เสิ็ได้ไว้จ้ขาผู้อื่นมาเป็นประบอมาเป็นประโยชน์ของโตม่นังสด็ได้พ่อแม่้เจ้าก็บรรับไว้โตของเจ้าสิไปตกมอลงหกลง มหาวิจีนรนรกเรียวกว่สาสารคดิษโอ้ยเจ้าพ่นจากขันมาแล้วเจ้จาจกมาเป็นสัตติรสารเป็นเพศถือเขาขาคู่ค้นแผลมาเป็นมนุษย์อีกก็ะสือมาถือเขาขาอีกคู่ค้นแพะอีก คนว่ายงสันขนอยก็ถือตมข้งเกี๊ยวไอจามาน้นแล้วไอ้ั่นอกสละให้ให้อะนันี่าถามครั้งที่หึเขาจังว่อยากบอกถามครั้งที่สองเขาขยังวาอยากบอกอยู่ยันตัวเสียใจยังสละถามครั้งที่สามถามดีเขาจังบอกเนี่ะถ้าเขาจังวายอยากบเราไอ้สั่นฟังออกนี่ฟังออก โอ้ยขันว่าเป็นให้สั่งขน้อยก็เสียเปียบเกี้ยอาจารย์แนะวั่งเกี้ยคิดอาจารย์มาตัวขน่อยแล้ววะสั่เขา่าเป็นให้สั่งขาน่อยขอบวชน้ำพงเจ่าเสียด้ววนาะวะสั่งโทษที่เจ้าคาแพร่งกับบวชได้หรือเปล่าการคาพ่อขาแม่ระบวชบราะอะไรคาพระหังระบวชบรดะ เรากับพ่อบวดได้ยกว่าที่เจ้าต่างใจปฏิบัติเนอะเกเรบวชเรต่างตั้งต่ปฏิบัติเกเาาร่สำเร็จพระหาสเปนตรงนี้วันหนึ่งอีกอมาถามพ่อเอก่าอีกเมื่อเดียวกันรละลขาหน่อยเป็นนักฟอ่อนนักกล่อเนี่พระไตรปิฎกนี่ เขา่ น, นักอนนักล่ำยมไงเหมนรทไปเห็นมันยักเทีเห็นหนั่แต่ว่าท่านขัปุนได้อันนี้สองเท่านั้นนะท่านปลาดุกตัวยิงใหญ่เลยอันนี้สองเท่านั้นเห็นแงรออืมยนซื้อตัวยิ่นยยนงนั่อองทุนนั่นพรไตรปกเพามือนี้ไอ้มื่อนี่ยมันเกียที่อาจารย์เกินน่เขา่ ไปเป็นนักกีฬ า, ามะมหัศจรรย์ครบเงืะะ่อนเมื่อไงบ่ได้เขาน่อยไปเขาห้องเขาหาเขาเสียใจอะไรท่าขนเขาน่อยไปเขาจ้างแสนกะหาปะหนะยังสิกว่าต้องในร่างวันแสนกะหาปะหนะอีกกะหาปนะนึนงถึงเงื่อนสี่บาทไทยเทียบแท่งครับอร่างวันพิเศษยังอะไรอีกอะโคอยู่วะ มันเป็นตาสังเวชเขาหน่อยแต่เทศแคนเ ป, ป็นตาสังเวไว้เป็นตาหัวเขานอยกตเท็แข็้คนเป็นตหาหัววันเป็นตาไห้ขาน่อยแต่เท็งคนเป็นตาไห้ไวน้นอมวันพ่อเอิกรเลิกแต่เทศเป็นขาเจ้าพ่อเอิก็เลิกเพราะเป็นนักกีฬาได้ต่างๆทุกอย่างทุกแนวตลดอดหมอรับหมอลั่มหมอแค้นหมอปอนค้อปัดัน การทํามันค้นว่าเรื่องบันเทิงในเวลามหาลสบครบกันหมดเกียรี้อาจารย์ทั้งหลายว่าเดีไปสวรรค์เขาน่อยไครับมันแมนโบเขาหน่อยไปเนี่ยขั้งที่สองกับพกะปากขั้งที่สามกับปากบานเนี่เจ้าสศีลตายไปตกมหาวิถีนรกเปสัเพราะตัวของเจ้ากับนี่กรมมาล้มเต็มตัวอยู่แล้วเจ้าไปเป็นซาตดาให้เขาหลงศีลหลงธรรมไป แต่สินแปดก็ยังห้ามใหว้ฝันเบื้องฝนล่ำครับหลวงอาจารย์อันนี้มันเป็นยังงสิว่ิมันก็โองพิดนะอาจารยว่าวาั้นจะไปเป็นศาสตราดายเขาเปิดเพื่อในวั้าสงสารลืมสินืมถ้มาอาจารย์ใครอีคือกนรอก็ได้โอ้ถต้องเทียี้อาจารย์พให้ยับ้างเที่ยงีอาจารย์ี่บ่าวมาตัวพวกคนหน่อยเา ผว่าขตัวตัวกินเสียอว่างเจ้าของมัอยมันหขได้สติเดียวนี่เขหนอยแล้วกันอันเดีสติตะกี้ก็บพเสี้ยแล้วว่เรยขอบวชกันขอบวชก็เลยพระองค์เจ้าก็เลยบวชตั้งใจพ่อหน้าทำพระะหัของนี่มาขว้างาเสยงขอนสติได้เนี่ลองสับสนกันอเส้นหาขอที่สองอ ที่สองขว่ า, วาเลยอ่ะขอที่สองหมายความว่ามีสิงมีขอมาาเขาต้องรักต้กกองจกยกฮอรันรวงละเมินพราะขกี้เขาขกี้เพราขพ่นเขาขพ่นขอที่สามฮเนี่เ้ารวงละเมิขอที่สามฮ ม, ม, <c oughs> มีลูกมีเต้ามาเขาว่ากะยาว่เก่งแลนดน้าผู้เบากันเขาล่อไปกับป่านลูกหลานสารพัดลาผ้า ม, มีลูกมีเมียมีมผัวก็นขึกักน นี่ผมว่มักจะไปเรียนสู้จากเมียก็เพาะข้าวลวงละเมิดขอนี้ว่างั้นเดีวพวกนี้ตายไปฮะนี่พวกนี้ตายไปจางยมพิบาลเอาเล็กแดงว่าปาดองข้าษักิ์ผู้ทา่ คำว่าปาดโยนี่พวกผู้หญิงเขาเป็นเพศหญิงอ่ะห้อโอ้ยโออยู่สีง้อมสีนกสีไว้เขาให้ผู้ขาอยู่ในมนุษย์โลกผู้ข่าชื่อโบโลงละเมิดคอนี่เขาสั่นคอนี่นักล้ายคอนี่ก็ได้มันมั็นของง่ายๆเอาไม่เห็นมาแทงน้ํำทองน้ําใสปาดน้ําทองน้ําใสน้ําโยนี่น้ํำองค์ขษาศักน้ําบักไข่ห้ำใครแหฮมโมนี่ห้องตายตายแล้วเกิดขึ้น ตาแล้วก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นว่าเป็นเด็กน้อยหรือเป็นผู้ใหญ่คือนข้อฝันเนี่ยแต่ว่าโอ้พติจีโอ้พป่าที่กะเกิดขึ้นเกิดขึ้นตายแล้วเกิดขึ้นตายแล้วเกิดขึ้นอโตกติบบาทอยู่ยังไงคารวะโตกระเป็นยุ่อันนี้แต่ว่าโตของหวงลวงพ่อหลวงแม่ท่า น, นีองคือชีวิตยุ่งหรอกคือโตเป็นโตเคยเร้ยนสูงเขาไม่อายโย <c oughs> เรียนไม่ห่าอง บบวัดเยหามันวิตนี่ก็ได้มันก็หายไปสั่งโอ้ยม่แตะเร้ต่อสัมันที่งอะไรเห็งบาขึ้นว่าเงาหาพางากูเบื่อเ็กน้อยมัน้ม น, น, น, นี่ั่เทีย่ยงเัินเงาเนี่ยเสาเนี่ยเี่ยงนบ้ขึ้นฮะเช่าแต่มันเป็นบาปร้อยหาก็ได้อ ว, วัดเอายหายมันวิตเนี่องวัดเสียหามันวิตจะห้าพ่อว่าน้าเนี่ ว่าเสียมนิเวศเพราะไฮมาสใ ส, ส่ศาสต์ใส่กรรมอีกว่าท่านอุทิศกุลเพิ่นบุญหาเขาอยู่แ น, ต น, น, ต น, น้ตอนนี้นพริกกรบเพริดตอนนี้แหละตอนย้ายเถิบอยู่ห้พิกตอนนี้อ๋อันว่าอันนี้นั่นเกิดว่าพบได้าดรได้ขั้นเนี่ยออกจากขันเรียป็นเพยเจ้เกิดม่าศาสพบได้ศาสได้รับนขันว่าเป็นง้ว ก็ถือเขาโคมตายเยอบตายเป็นว่าแม่เะเป็นว่าภูชกะถือเขาส้นตายพ่ อ, อยากรรมมาร้มขันบาป ก, กรรมทรืงมันฮันนี่มุสาให้ถอดพ่อมุสาที่ดวงละมิด เขาขนลวงเราเมื่อตัวนี้ลูกเต่าเกิดมากนั่นเรยนขึขขขขขข้นมาเขาเขาหลบวัดเว้ยคนได้่วงราเมือขับมาลวงราเมือตัวนี้ขนลวงราเมื่เกิดจมัมาาลอะไรอ่ะนาะมุ ส, า น, ส, า, นนสานี่เกิดมากเส่ยวจีนปนไกระางบไม่มีผู้เสือตายไปตาไปไปต๊หมอลหกจายอมพิบัติตัดล่น ใย่อมพี่บาลเอาเล็กแดงต อ, อกปากก็ทันมันว่าตัวว่าลายเลย่านยพานานยบาลออกวบมาเอกผู้ไปบายตู้ใบน้มเขาไปเสพไปสมเขาอยู่ในวัดแทงขักลายเหรอเนาะ ใบใบตู้บายน้มเขาไปจับต้นจับตเขาอยู่ในวัดได้ว่าพระถ้ำอันบอดีเพลตตัตหนึ่งมี่มือยา ว, วยสิบสองงูพราะมั่นปลายใบโน้มเขาอยู่ในวั ด, ดวพระโมคคัลล่าเห็นวิจักมาละหกมาแล้วออันนี้พวกประเสษตรผสมอยู่ในวัดได้ ว, ว่ามันแห้งจะไปบังไงอ่านะจะซํานั่นกับซํานั่นหลายวันเน้วอันนี้ม้วนผู้ค่อยเอมม้วนค่อยอเอามเบา มันอยู่ในวัดทุเพตอะไรคนออกต่างเรอเทศอื่นอยู่ในพัยาพิโรโกรไม่อยู่นั่นคนพูดมุสาออกมากจากคันคนเป็น น, เ น, นกเป็นหมูเป็นปูเป็นปีก ก็ตายย้อนที่เขาเอาอีกยังมาแท่ปากมาแท่ปากแท่นี้มตลอดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ความสิจริงวันไหนมาบอกมือผู้เสือมาสราบแบบหัวมันนี่อ๋อไม่ผู้เสือมาปากก็ะเหม็นาอย่างยอดที่สุดอีกอ๋ โคดซูลาฮนี่โคดซุล่ามันแหงคักตายไอพ่อออแม่กูเอ้บานนี่เราก็ได้กลิ่นคือกันเจ้าอายุสามสิบเราเศ้าแล้วสามสิบเราเศ้าเศร้าแล้วแม่บักเสีตายแล้วกับพวกกินจักเลยม็ดอ่อนซ่อนเราเศร้าแล้วพวกนี้ยังวันเศร้านี่พ่อแห้งล้วพวกนี้เออเจ็บบุญร้ายเขาเศ้าแล้วบุญร้าย มุนท่าเนี่เศร้าท่าทาเศ้าต่คนมาเห็นตะคน้นต่ผูอันสำคัญมาเห็นหางเศ้าตพูว่าสาคัญต้องกินคส้นาเขาเนีิแบบนี้ตะพูสำคัญส่งเขาไปเพ่งโทษเราห้อยท่านทาปัญญ์เนี่บนีท่านทาเฮ่บุกษา <c oughs> เดี๋ยวพวกเงี่สังคมเน่ยสังกคำประนันชี้องแดงได้ย้่นตะพูกินแบบนี้ น, แแ น, น, นีแต่คนงโงโคนงงวยงอ้อนตะพกินวัดแบบนี้ส่วนบางมุนบาว่าสี่กินหอดกระป๋องคุณี่กินหขวดคุณมุนมุนบ้ามากสัมบง แน่นอ่ะอือั่นโทษแล้วอันนี้จกายอภิบานเอาเล็กแดงเกาะน่าเล็กแดงกอกอออยู่ออ ออกจากอันนี้ไปขึ้นต้นไหม่ต้นไหม่ก็ต้นใหม่กรรมมาแล้วขึ่นกาซอบเล็กชกทองต่อซับวัตพวกเล็บสูงสูงเนี่ยสูบหัวนี่ก็คือกั น, ก น, ก น, กนพวกมุสาก็คือกันพวกขาดตัดซัดชีวิตก็คือกั น, ก น, กนบ้นเดียวกันหอกคอย่อมึงขับจายย่อมเพลีย พวกทัพทั้งหลายในมรรคหกโอ้ยผู้ข่าจูในมรรคหกผู้ข่าขอไปเกิดได้มนุษย์โลกได้ถอนผู้ข่าทิเก็ศที่ลาบนท่านรักษาศีลภาวนาหรอร้อยท่นผู้ขาผู้ข่าขออนุญาตไปได้ถอนร้อยท่านทิเก็ศที่ลาบลาไปไปไแล้วะเนีย่ยโอ้ไปเได้อไรละคอยโผ่อยากใครบ่อยากมาบังคับมึงเจาะตั๊ออกต่ำมึงคอยอย่างมีเ้อ คอยก็ไม่จะเปยนกมเป็นเป่ยจงบพิบัจะกรรมขอคอยนี่อยอะมาคอยตางข้นตางใส่กรรมของไปอ่านันไเดียนี่ว่ามันคอยขมเหงื่เจ้าเนีเจ้าขมเหงื่อเรากรรมข่คอยมี่อยกันเนีาเปล่ยนใจงบพิบั่เจ้าของมวกเจ้าพี่เราขอวแต่งกับฝ่มาเปลีนเลยกรรมไม่อยแต่งให้คอยเป็นเองเลยคอยลองทำผลของกรรมว้นละหกวันเองใกับพวกแต่ง กรรมเม้าเฮ้ามันดานเกิดขึ้นเองเป็นของทิพ ย, ยเพพพววพ์เกิดขึ้นเป็นของทิพย์เกิดขึ้นในทั้งตัวของทิพย์ในทังดีในทั้งสวรรค์เขาไมมีะไรมรณะหอกเป็นของทิพย์เกิดข้นเป็นของทิพย์ในทังตัวเพราะมูวห้องสามไว้เด้สามข้อมดีไว้ผม้องข้อมดีมันเกิดขึ้นมื่อคาวมัวหอกเนี่ยผู้ข่าวผู้ข่าวสรลักทาัพย์พระพุทธทิพใน ก, ากาลางมาดื่มโซดาไม่ได้แต่เห็นพอื่นดื่มมองคณะจิตถึงหนึบ ม, มุนเขาเดยจากน้อย อันกรรมอันนั้นอะเล่นให้คู่ขามากเป็นการรองผิ่บาปด้วยนี่ผููขาก็จะเป็นยังไงถ้ามันห้อนก็จะตายเนี่ยยื่นเห่อยคู่มูอถูกย่นเ่อยกรรมี่กรร ม, มอะไวมนูเอามห่อเจ้าปานีวิธกรรมเวียนๆมูห่ อ, อ, นนนะหอในภาพต่างากั้าบนาุนคอยกที่พ่อคอยพวกเจ้ากอยคือขันมูห่อเขาบ่เลยมีเวีนนี่คอยกันเฉพาะคนก้องกรรมบันดานี่ซื้ คือคู่นหนึ่ตีเล็กน่อยดวนปเขียนเล็กหน่อยใเขาจะเขียนจอรอกำม้งเขียนเจ้าเจ้าพัเรียนใจะเขียนแค่สามบาทถึงรอบางคนเขียนแหงรอผู้เขาบวชขาดลุงเรียนนี่ไอ้พวกกันยังไม่ได้เขียนเขาเนี่ยไอเจ้าขาดลุงเรียนผดกกติเขียนสามบาทบเขียนแหงมาได้อเจ้าจะไปบอกให้แม่จะฟังเนื้อแม่จะไปฟังก้อยไปเถอะ าถือว่า่อยอุมเพียงเจ้าเิว่าน่ยเกิกัมาเขียนยังไงก็เือบกเขียงอมีเหตุมีผลพเจ้าเขียนเจ้าเจ้าเะเจ้าเพระขาดประกอบเรื่อเกิบบกเขียนอะไรอ่างนผู้เขาได้ผู้ผู้ไหเขาบักขาดเรื่องเขาก็ยังบูถือเขียนนี้อนีเจ้าเขียนเจ้าเลยว่าก่อเขียนอีไรอะแต่ไปบอกเจ้าไปบอกแม่จะฟังเออแม่เจ้าสุดางคอบวเหตุผลมพ่อเร่ยังงคนอะไบวกเขียนเลยบวก่ฟังเขียนซ้ำเขียนซ้ำที่ เช็คถูกเช็คเราไปเรืเอยไปว่่เรามีท้ำเด้อคู่กันเรามีฉันไม่ผลนะวันนี้ผู้นะ ม, ม, ผ ม, มีชิ้นหาบาลีบูนมันเป็นเีนของสุปฏิปันโนผู้ที่เป็นญาติกระพาะพุทธเจ้าได้นะ หลวงูอภูมิชินหาบริบูรณ์เป็นสุปติปนโนได้เป็นอริยะบุคคลได้คำนันคันคำนนอยู่ในคารวะกัเป็นอริยะคารวะคำเป็นพระไปนเน่นก็เป็นอริยะพระอริยะเน่นนับขอในพวกอริยะพวกนี่ยแต่ว่าพ่อมาจันเรื้องต้นมชินหาบริบูรณ์ ขันม่เฮ้าเน่ยขันอาเฮาเรือสายแล้วเพื่อประท่ามประสงค์ขับนำมดทะลุขันผู้ใดเศร้ากินเหล่ามันได้ไปสวรรค์ขอแขนหากัเตี้ยวแดงวะสั่นอันคว้ม่วงยั้งสั่นเน่ยมันกับมันถือต่คัเวม่กงบของมันนาถืออันคว้วจิงของนักปากมัเน่เขาเอาประชดให้ับของเน่ยของสั่นประชแคู้อื่อนมันกับมัดถือขึ้นมาถือับของเนี่ยคือควงหอด้วยนดานเนี่ยมองเพื่นเขา มันแพร่เพื่งมันมาแพร่ได้มันก็กเด่นขึ้นตั้งสนามผากระฟองกันกระฟองส่เพได้มากินเราเนี่ยขาแขนหังกัดเตี้ยวเด้พ่องงท่นเพืนหนึ่งเท่านั้นเทาจวงมันง่อยเชนหกขี่คนนี้ไว้กันเราอะอันว่าเชนนีหยังได้พ่อท่านเนาอ้ยพ่อท่านเจวงบาน ง, ง่อยเทาจวงเพราะเทาบนม ตายแล้วเดี๋ยวคือหนุกไก่หาแสงอนาเอ้อไปได้หลายปีเลยบอกอือเขาเรียกว่าอันนี้สองเส้นหาได้เกิดก็ได้เกิดตะกูลสูงพระสวัสดวันผู้มีเส้นหาบริบูรณ์เล่าในหลวงละเมิดกับหลายแนลอาอยู่เล่าก็ได้ แต่เราหั่งละได้ละเรื่องละเมิดชินไเรื่องเลื่องเลองล่รวงละเมิดเรียสู่ก็ไม่อาจจะไปรวงงูแม่เอะนั่นเป็นแม่ห้าเราว่าคือเห็นยาม่ไหล่ะถ้าถ้าหมายเล่ามันเที่ยงในภาษาศาสนาโยอ้เป็นกล่อมแห้งมาครับก็เคยต็เพ็แผลเพียงก็เพดแพลเพียง มาเคยเห็นยามไรน้ำตาไหลเทายายจันทีไปขี่ถ้าเท่าฝ่ายพุทโธพุทโแล้วก็ห่บักฆ่ากินตับบักฆ่ากินปอดบริวีเกบเตีอต่อนี้ซื้ออยู่าเคยเห็นโอ้โหเห็นแผลเอื่อยโตัวเลเคยเห็นยามไรน้าตาไหลล่ะเท่าไห่ยนดนิเศร้าไหลายอย่ะงวเฒยภูชันพลบุญมัดเถืองมัดพี่อ้เออสัปานตั้ไป ภาเลี้ยงเยสาเลี้ยงสะใภ้สภาท่านผู้มีคุณนุ่นสภาเภทหญิงสระเพจชายทุกส่วนนาทั้งทั้งไตโรกธาแทกต้องนั่งรับความผูกพันเนื้อ่าศัยต้องอดชีพควาทนทนบ่นมุดประจำมืออยู่ประจาเวลาอยู่ยังจังวัดสัพพะอาศัตยเพราะคนเทาเกิดมาเนี่ยว่ามันซาดเนึ่องกับซาดเนึงเป็นน้องเป็นอ้กันนี่หวองสั่นมันแมนมัดทั้ทั้งไตโรกแทกแล้วดเทาเกิดมาใน้ตตโรกราทธาตุอันนี้ บางที่ห้าเกิดปเป็นงว่วเป็นข้อยังเกดเค ย, เ, ยเป็นลูกงวัวลูกข้อยลูกหมูลูกม้าลูกเป็ดลูกไก่้องวงพอค้อยเมียง่วงเมียขอยพี่ไอพี่ไส้งวง้อยก็ะมีหมูหมาเป็ดไก่ก็มีสารพัในไตโลกราาเนี่ยมันครบมดให้เห็นทั้งนั้นจึงว่าตัวทั้งไตโลกระธาตที่มีในย่านคลองสิงหหมอื ม, มรอรรถรสอรรรสในเอติวตกาพจนวานับตาไร้าผลในเรื่องการท่องเที่ยวในวัดเ้างศาลเนี่ เคยจะเป็นว่าวัตถุอันสูงเนี่ยูเป็นปลาเป็นสัตว์อยู่ในโคกในบกสารพัดเป็นเทวบุตเทวดาพ่ออินทรพ่อพมพายมพายการเจ้าตโลกกบาลเจ้าชีแน่ตั้งสูงเนีวงสวรรค์ก็เหมือนกันในมนุษย์โลกก็เหมือนกันในมรรคก็เหมือนกันสารพัดเอารอดเนี่ยขัดขืนถึงพระโสดาบันแล้วกันคือไม่ศีลหาวรบุญแล้วลิบนะฮะเนี่ยลิบไปทั้งพระนิพพานละบาล ตามกว่าละมานอะไรยังงวดโยงสีสสีสีสีสีสีสีสีสีมีพวกนี้งินต้นเงิปลายอ่ะถึงคำนีทิ้งามอรบูนกางเกงได้ขึ้นพูดงดว่านห่อขงสั้นนี่มันจ้าเป็นของของสามขั้นเนี่ยอืมนี่พวกที่บ่เสื้อเนี่ยมันเปียนจ้งบ่เสื้อแ่ะกรรมของเจ้าเนี่ยมันกัดเฮาเฮาเาน่พแห้งนะกิเลสนะกิเลสมันขึ้นขี้ข้ออยู่นี่ มันอคืนกี้ขอยังกระซับผมว่าโผโอโผยก็จะให้ย nuevo, oh ่ำใสยพระพุทธธรรมประสงค์ไหนจังไหนผมบองสั่ของกำานยังหลายวันเงอะนั่นอันชุ่มนี่มันกำบางแล้วอันสุ้มพญาย่มสี่เอาสินหามริบูรณ์พญาย่มสี่ว่างเราว่างยาพวกนี้มันมันบางเลยเนี่ยพวกพวกนั้นยังมุดทะลุอยู่ยังมุดทะลุกัมุดทะลุให้เจ้าของละท่าดีกับท่านให้เจ้าของท่าซัวก็บท่านให้เจ้าของเนีย มองของสาติเรอว่ามันบันบริเทหมผู้อื่นเพรามุทลุกก็บมุทลุกจะ้องแหละผู้ข้าจะคล้องตายเมื <out> so ่อเนี <laughs> <t t ่ยแต่มันผู้ข้าผู้อื่นตาย่มแล้วผู้จองตัวสกขันพผู้กับ้องสันนี่ว่าองชิอกว่าอันมู้นนี่สาคัญที่สุดพระวนามันก็แม่พราวนาหมือนหละอันนู้นี่ก็ไเดี๋ยวปัญจุบันนี้วนาเนี่ี่ว่าธรรมมรรคเสอดคองถาำ ถ้ารรมากาว่างพราะว่าัฮตัวผู้ใครวัท่านเป็นผู้เจริญเพราว่าแบบนี้เพาะที่เาสูงปัหลา ย, ยังกระดกเพีองชินหานี่ยใครมันได้แค่ไหนมองสัตว์อรรถว่าเพียงพ่อหน้าพู้โทษเนี่ยเอาเถะนะไนมันได้โมจะสูงพรหันรหัอย่างไรแต่สินหากขยัางละโมท่านไหนสนร้างโมจะเล็กกเย่างท่านเส้าเลีย พวกเรนเรนี่นพวกทำลายสินหาได้หนิพวกทำลายทำลายพระโสดาวันนี่คนี่กีดขวงพระโสดาวันะพวกเรนเรกเล็เพานี่ต้องเว้นขณะเวเมื่อไรท่านส in enfin ินพหน้าเขาทไปหลายมันกับื่อไรบุญหลายอือพวกเขาบบริสุทธิ์ด้ว่างเถอะเดียวว่าก้าบองามปายวันเถอะหน้าสิดีปัญญาก็สร้างก้าบองามมันกับ่อไรบุญหลายอย่ว่างได้เถอะมีสินหาบริวณก็เดี๋ยว่าก้างามวันเนอะ พระผู้หวังบ้ทุกข์ในวารสงสารมันก็ได้บุญรายแค่นี้ม่องสันว่าผู้บวชว่าเพื่อเรื่องชีวิตจะซืกได้บุญรายมาได้แล้วผู้บวชว่าหวังเพื่อจะพ้นทุกข์ในวารสงสารมันก็ได้บุญรายเนี่ยมององสันว่าตัดสินลงบัค่าสารรักษาพระพุทธเพื่อแกกาวเรียกว่าสินมีซัดเนไมคันว่ามีสินกัมีสัดกับใค่เลยคันว่ามีสัดก็มีสินคมีสินก็มีสัดคือกันคันมีซักก็มีสินคือกันอะคือเพื่น ว่าให้เ้าประตัดอันนี่หละประตัดใจเรือนนะอหัวมันโตเพรมีสีแต่ไม่สัดพระสันทนาวไม่สัดพรสันสัดกับว่ามีสีกับว่ามีว่าไม่เอาพระสันเรากสิสัจปาละมีสัมปันโนนี่สัจเจปะปานามีสัมปันโนสัจเจปรมัทถาปานามีสัมปันโน สัจจารมัทธาปารมีสัมปะโนขณะตั้งสามหสีต่ายอนก็สร้างแะหัวมันเรียกว่าสัจจารมัทธาปารามีสัมปะโนชิ้นก็เหมือนกันสีตายอนชินแกยะหัวมันน่เรียกว่าศีลปรามัทาปารามีสัมปะโนสีตายอนท่านก็สร้างหัวมันว่าเจ้าู่นท่านเนเรียกว่าท่านปรมัาปารมีสัมปโนท่านลูกท่านเต่าเน่มันท่านนะปรามัทาปารมีสัมปะโนเอาบนี้ให้ไมป้าแกนบ่คือถอนเนี่ย นี่ธานประมัตถปรามีสัมปโนอะไรเน่ท่านลูกนี่สิว่างไดยเนี่ยมาบวชเนี่ยหักพวกที่สมพระนฮักมันพทุกคนร้ายกลัวนั่นสิว่าบันน้ท่านปรามัททปรมมีสมรัพปโนหักลูกนี่เหมือนเสือ้อผูกคอักเนี่ยนี่เหมือนปอผูกศอกหักวัตถุเขา ข, ของนี่เหมือนปอกใสตีนตันหางสามอันนี่มาขีนผูกไว้ในวัตาสงสาร พี่จึงเนี่ให้สองกุ ม, มานทั้งคููลูกแกอยู่กับตนเป็นท่านแกผ้าม้านาจารผู้เฒ่าอันค้นขวยเต่าขามาแต้มือวันว่า น, นี่เนี่ยพี่ลยหน้ า, าเั้นเพราะเหตุเนดอน้องก็ได้าซ่างเกันห้องก็ได้ท่านลูก ท, ท่านเต่าที่ว่าอย่างไเส้นออก็ท่าจะเนียว่าบวชว่าท่านก็ว่าห้าบาลมีแกกล้าเติมยู่บักหน่อยมานี่กอดขอเพัตัว ใจว่าอีเดนซีมาได้บ่บักน้อยบักสซอ่เต้นกอนข้อกันตีหลังแม่ตายแลยจอดตายน้าเอียกบ่หึหึหึนน่ะก็ปาดตีหลังบึเบิบมบึมลบักน้อยขึ้นหอด้วยน่ะนอนก็ได้เห็นพ้อหาเขาบกเห็นเห็นว่ามันได้เจ็บปีได้บนอยปีนึงได้เจบปีบักบักนี่ได้สามปีฟ้านมแล้วบักที่กลางไม่ตาย ทั้งบ้านทั้งบ้านโตบีเพื่อกระหามียากให้หมาสังโอ้ยไปจับตะไรตะไรตะไรตะไรโอ้ยบริษัทพนนออก่าผู้ขาสืบบุว่วาผู้ขายบริตีพนผู้ไหนกับบริษัทแต่ว่าท้งบ้านเดือ ก, กับหลายพนหาให้พนพอห้องพพอในห้องพิจารณาลงโอ้สาวอ้มาักูเยมึองมาสังยนพรนี่หลวงอะไาั ง, งคนฉีดตักมากได้ยังมึง บวชไปก็ไป เ, วเวสียไม่ได้นขยายออกมาได้เนี่ย่าสั่งพว่านกึก <c oughs> ขยายออกมาได้เนี่ยมาสั่งโอ้ยเคล็ดลาบแล้ ว, ว่สาสั่งจำเมีย ก, ก้อน่าสิบวชดีว่าอ่าจะป่าเมียก้อนว่ า, วดดววกกวาพ่อบอกบวช ด, ดีก ว, ว่าหยัดเขาว่าหามเมยามบ่อไรเลยเล่บ้าบ่าเอาซื้อได้เนี่ย่สาสั่งอ่ะอ่เพาเขาพอ่อเลยก็ได้ ว, ว, ด ว, ว่าพ่อเนี่ยหวยง้าบวชเนี่ยห้าจัดจัดนะพอ่อ เมื่อแต่ว่านีบักซึ่งบักทั้งดีพัะชิกมั่นชิกมาแล้วเ่พอคือทั้งลูกเนี่เนาะสัตย์ไม่รู้พูดย่อเนี่เนาะสัตพอเนื่อว่าลูกเสวยบยู่จนจะฟ้องไหนผมแน่ว่าเป็นนักสื่อพระสัตยอันนี้แม่สูวสัลูกกูน่กูไปดูซาตาว่าสัไปดูศาสนาภาพมะลูกกูกังสัทนอยู่ด้วยนาั้งงาแก้วเนโอ้ยเนนกังสดท้นเี่นอยู่บนดเาเิว่าสั เเป็นขี้คาเขาจะพูดมาจักบัท่านี่พุทธเอามาโยยาแก่วใครว่าเลยครับพ่อใครพ่อโม้เม่ว่าเลยคิวพ่อเม่ดี่ า, า, กกาสัปป่งจะกังสะพะทนยื่นนี่ที่ตายค้าสมพะทนเนี่ยจริงว่าแท้หนั่ น, น, น ไม่ล่าม่น้อยบมยิ่นดีต่อพระพุทธธรรมผสมโมยิ่งหนดีต่อพุทธศาสนาสี่ยิ่งดีต่อเองสร้างวัตถิ์หือมันเห็นหงแล้วจิไปทําทพราะเห็นหงมันก็เห็นเระเปี่นนผมจัดท่าไปนะผมจัดคุณพระพุทธธรรมผสมสี่ททาบ่รู้บ่เสยมันก็ทำทาเพราะเปลยนเห็นคุณในธานในศีลในภาวนาล่ะ เป็นคุณในการปฏิวัติเพื่อจะออกจากควตาต้องสารเ่ยสี่ไปทาทาบลูพัซซี่มันก็ทําทาบเป็นอืสร้างหอที่ไปทาท่านอนใจมันก็ทําทาบเป็นคิดใจมันได้ดิ่งล่องเรามันในดิ่งล่หน้าท่ามพูดท่าทําประสงค์ได้ิ่งมาขนในผ้านล่ะดิ่งเสื้อมาขนในผ้านล่ะเจมันถอนออกเพราถอนได้ยังไงถ้ามันถอนได้แทนคนกับขบวขึ้นมดเนี่ยพระพุทธเจ้าแท้ก็ยังถอนมาได้ บุคคลผู้มันเห็นมิศาลทิถิมันว่าบุปีบาบุญเพระพุทธเจ้าสมมติไปว่าให้มันเหลือมซาให้ว่ามันบาบุญได้นมันเหลือเมซายหรืนก็ว่าเพราะอะไรขึ้นกันวางไดกันบาบไม่เป็นตัวยังไงพระโคดมาสรรุ่มันเป็นตัวยังไงรรพเอ่อนบวบน้ำสเพิรนมันเหลือเมซาอคนหูจักบพราะคือเท้าเแต่เนี่เขาถือบุปีบาบุญก็ยังษ์กลุ่มเทศเอายุ่ันก็คดผีบาเขาว่า พระพุทธเจ้าเราพระเทศเร่คือพุทธประคัไม่ตนน้นไหนเป็นเป็นตา เ, เป็นสฝังหอนมัน่ต้องตาแล้วจะเข้าไปบักแต่ว่านต้นไหนพวกไปตาสีได้บึกกระติบักแก่งหงวงกันเนาะเฒ่านี่เขามาเถียงกันว่ามีบาบมีบุญเนาะยังตาดำตาแดงมาเถียงเขาอาะนั่นเพราะว่าโตเป็นนักเทศเองผีบาเขาว่าแต่พระองค์เจ้ามัยังมาเถียงพระองค์เจ้ามัยังเฉยอยู่หนึ่งช้ำชาเป็นพวกเ ก, งก่งพวกเจ้า เมียนมอสังไม่เข้าใจเลยเนี่ยบินคราบช่องนกไฟฮอนควนไ่เข้าใจเยอะเลยเนี่ยหลวงปู่ว่าประธาเราไม่เข้าใจนะหลวงปู่ว่าประธานเราไม่เข้าใจไม่เ้าใจหรือถ้าใคกไม็มาแตกชานเท่านี้วันนี้วนันนี้แจกชนเอแตกชานกว่าทีนี้ผมแกจกเฉยๆแต่ยังไมช้าน มันได้นิลิบเเออไ้ลนาะคับลึกๆไม่ได้โมโขโมลิลยเป็น้มันก็อยู่แค่ตัวมันไม่ไปลุกใช่อ้วเรื่องสายพระพุทธประรมาสองแลน่จะถอนไม่ออกถอนไม่ออกต้องเดินหน้าเลยเดินหน้าตะพุ ผู้ที่เข้าใจไปทางผิดถือว่ามันไม่มีบาปไมมีบุญมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันผู้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่บุญเราไม่ควรประเทศเขามันเสียวเวลาเราเสียวเวลาเขาอีกด้วยพระบรมศาสราเขาประเทศบ้านที่เขามาถามพระบรมศาราบอกว่าบาปมีไหมบุญมีไหมพระบรมศาราพระบรมสาราเขาเชื่ออยู่แล้วคนตายแล้วเกิดไหมพระองค์เชอ สมัญมีไหมตายแล้วส้นไหมโง่เฉยโง่ทำไมทั้งเฉยเพราะเหตุว่ากับผมเป็นคนตาบอดแล้วก็มาบอกวิชาสนเขียมให้กับผมบ้างถ้ากับว่าพูดอย่างนั้นท่านก็เลยไม่บอกท่าก็เลยไม่พูดหรือฟันกับผมก็ไม่มี แล้วก็เอาของแข็งมาให้กระผมกินด้วยเพิ่นก็นเลยบไาฮาลองสรอรั่งรถมาอันนี้มูอเห่าเนี่ยไปเทีย่ยว่นไหวเทศอพนผนลลัยก็เจ้าของ <c oughs> ตายเอ้าตายเอาบวชเขาว่าได้พายบาทพายพกแล้วกูลับพูดึงพออีอศีพูดพึงว่าสั่ง โคตรเก่งมาสันไพ่าบาดพายพราะเ้าเทศเทศอาเขาหนึ่งมันท่านโดนเขาเทศเอาโต ร, รถพุ่นไถลเอางโกยงโกยอยู่เองนี่ว่าสันั่นนี่อันอันติดตะุกนังเจ้าหัวเบาเนี่ก็เขาฟันห่ออันเจ้าหัวเ้าอันลุงคุ้ม่าเรียเรียบเพ็ดแอกควควสัดแล้วมึงแมอ่ออกสาวน้องกนงาย่ันนี่กับผ้จังมองตายได้หนี่ก็ได้ เออเม่ดเที่อาขึ้นรถไปยามบ้านนั่นบ้านนี่สวนกันไม่เอาสากับเม็ดเทยนางเสาเท่า น, นั้นเม็ดเทียนยางไอ้บ้าๆเท่า น, นั้นแท้งตัวดีๆแค่ะแต่กักูกไม้มึงๆๆง่า้กูเลืเ้ยงง่วไก่หน้าเลงมาไก่เขาแอบกินนี่วันน่ะอันนี้ก็ไม่จ้างว่นตายได้นี่ก็ได้ลุงปูมันเคยเทศเยอะนี่สรพัดให้กันเสวดสารพันอนะเพราะพวกผู้หญิงสวดึ้นร์น พระบอกสวดแค่ไห น, น, นสงควรกับเทพกันมีมาบา้านเนี่ยเสือธนพัน์สไปสบ้านพักันงลุกเพราะว่าล็อล็ูมันอกูมันเครเทศเนี่ยตัวกระชื้อเอามาไว้เยนี่ไปเพ่นมันหยาโพด มีนเั่งจังในเรีอมไซว่าพุทธศาสนาพอปฏิบัติมานั่นแล้วพอคิดใจมันแช่อยู่มันมันแช่โดนแล้วมันก็เข้มทันที่้่งในโบเห็นให้ประเดี๋ยวบอกโบเห็นไข่เกลือบอกร่างพอแล้วมันก็ยังแช่อยู่อีกวันเนาะ ไหนนะผน้ำหอมมือน่ะวัดตาสงสารขันโมมีวัดตาสงสารมันบมบบมันบบเป็นตาสงสารมันบมมีทุกข์มันมีแต่ซุกมันมีแต่สุกไปสิอยากหนีเอย่าง เพอยากปฏิบัติเส้นอย่างมันมาไปที่จู้ใจเลยก็สีปฏิบัติที่นี่อันพวกเขากินเราเขาเขาว่าเขาจูใจมันมาจู้ใจถ้ายางมัมีเงินเขาวาขา่าสำนี้เงินมาเนี่กัสนุกกินเขาว่าอย่างใ น, ในี้นะมันจูใจเขาบทาทาลงมาลหกมันก็ลงแบบจูใจอกันนะเจ้าอทสานเออเวลาทําดีก็ทําแบบจูใจเวลาได้รับผลมันก็ได้รับผลแบบจูใจเวลาทำซัวก็บทำซัวแบบจูใจเวลาได้รับผลมันก็ได้รับผลแบบจูใจอย่างนั้น <laughs> เออโอ้โสัตนาจิ้มย่างเต็มที่กับเม้อย่างเต็มที่กัเลนเล็กย่างเต็มที่กับิปบหายย่างเต็มที่กันเนาะอยู่ว่ายังไงกันเวียนย่างเต็มที่กับไมาคิปบหายย่างเต็มทีอกันเนามันมีเต็มที่ส่วนนั่นนะใจถึงกันเนาะคนเนาเจเถทั้งดีมากดีจเถื่อั้งัวม่กตัวว่านะโตล่วงละเมิดโตลวงละเมิดทั้งบดี พราะว่ า, าอวดเพิ่นให้เพิ่นเงิน ต, ตัวว่าใจตัวถึงเฮ้ยจะไปเงินสร้างว่ากึ่ ง, ง, ง, งกึ่งะค้นพลาดกันค้นนักป่าเพิ่นจะไปเงินเพิจะไปให้คะแนนสร้างว่าีคือมาอะไรใจทั้งตั้งกินขี่เงินตัวสัตว์นูนเอาไม่อยากกินขี่้งมม อ, อทงที่เข้าในเึ้นตนูเง <c oughs> ินขึ้นล่วงไปล่วงไปบัด น, นี่แล้วทำอะไรอยู่พระกัเตัา คุณวิเศษของเราไม่อยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้กระเขืนในเวลาเพื่อนมันประชิดถามในการภายหลังปิจจาวุฒิคือทําเป็นเครื่องเจริญสี่อย่างหนึ่รัพยุริสูรภาษาเสวะโคตรท่านผู้พิสูจนชอบเรื่อกายวายใจใจที่เรียกว่าสัตตบรุษ2 ส, สัตรธรมมัตจมณะควงคําสั่งสอนของท่านโดยคารพ3โยนิโสมนัสิการที่ตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบ เมื่อตีตองแล้วสีธรรมานุธรรมาปฏิปฏิประพฤติทธทรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วนี่เรกว่าวุ ธ, ธิคือทำเป็นเครื่องจระเดินสี่อย่างทำสี่อย่างนี่ดุดล่ อ, อรถนำไปสู่ความเจริญปฏิจ้าว่าปฏิจ้าวาค่อยบดในปริยัตปฏิบัติปฏิเวทกะเรียกพระพูติเจ้าเทศอยู่ว่าไม่ต้องเว้นงึ้งคืน อะประเทศยอะมากเมีก็เว่งขึ้นพอบอกหมดแล้วผู้ปฏิวัติกับปฏิวัติยอะมาเมียก็เว่งขึ้นผู้ถือผู้ถือว่าไม่มีบุญมีบาปก็ถืออยู่ไม่ไ ม, ไ ม, มีกลางวันกลาคือผู้ถือว่ามีบุญไม่บาปก็ถือว่ามีบุญมีบาปอยู่ไม่มีกลางวันงคือผู้พยายามรักช่วยทำดีก็พยายามอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ผู้ทำชั่วก็ทำอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้พ้นไปแล้วเขาพ้นอยู่ไม่มีกลางวันกลางคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงอยู่ไม่มีกลงวันกลงคืนแล้วแปลว่าคำสอนจะบระบาดเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคือผู้หูดีตาดีก็ต้องฟังอยู่ไม่มีกลางวันกลางคือผู้คัดคาดคัดคานอยู่ไม่มีกลางวันกลางคือผู้เถื่อไม่มีวุ่นีบาปก็เรียกว่าคัดคานพระสมานเจพุะทีเจ้าอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนน ผู้ถือไม่บาปไม่มีบุญไม่มีเขเรียกว่านอนคัดขั้นรับคัดข้านฝันคัดขัน้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีกางวันกลางคืนนั่นผู้ยินดีในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหลับไปก็เรียกว่ายินดีอย่างไม่มีกลางวันกลางคืนนันเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงยกก้อนเท่าหรอไม่ได้แต่งอะไรเทาจริงนั่มทำทำอะไรขอพระองค์เจ้าเท่านั้นว่มติดแต่งทำอะหรมาจริง แต่เข้าแต่เห้จริงก็ทำข้อหนึ่งมองของสันทำมาไม่มีบันแดงบันทัดเขามไม่บันแดงขึงตึงแล้วมางทีบันทัดจับโคงเอามันก็บอะไรเลยถือบันทัดจับโคงเหาไล้คามากเหาตัวเขาหงุ่นเห็นหมจับโคงมาทัดใส่ มรมฐานแต่ล ะ, ยละยยอ ย, ายอ่างละอย่างผ้าอเข่า่พันย่าผ้านี่ยเมื่อว่าหลายหลาแบบถ้าเอาก็เอานอยเดียวนึงคือห้าวแล้วพอห้าวถากไม่เอ้ทั้กองขี้ควันเจ๊งเพ่งแบบถ้าเอาก็เอาน้อยเดียวนึงม อ, องสั่นว่าไม่ทั้งร่ำห้าวไรยบอลได้สั่นเทาออกมาถ้าจักเลยจะตอกกัมเดียวนึงแล้วตอคู่ก็ไดแล้วตอกาตอกาก็ได้เมื่อเ้ากับทีมเมนี่ เนี่ยหลว่สอรรถก็คำวพุทโที่แปลพุทโทนี่ยเมือขึ้นห้องมีสอเขาว่าเข้ามจบพุทธโทธโทสอนไอ้มีสินหาพุทธโธสอน้ม้ข่าสัดรักษาประพฤติพิษไล้กามสอนไอ้พี่ก็นาอนิจจังทุกครั้งอนิจตาสอนให้รต่ผลในวัตาสงสารสอนว่าไมมีเวน้นไมไพ่ สอนว่าเป็นข้นทีขานสอนในธรรมาหาเรียงทีในต่างที่เจ้าพุทโธพุทโธมครบแปดหมืทีพระธรรมมขันผลขยายออกท่าโม่มันก็ครบแปดหมื่นทีพระธรรมาขันผลสังโคก็แปลว่าครบแปดหมื <im> ่นท <t ests> <im> ีพระธรรมมาขัน่นหรือว่าของท่านอกานจะแปลออกนะโม่ตัวยกับนอบนอบครบแปด0มื่นทีพระธรรมมาขันผลพุทธังสนงมขาชามีเอสิทธิ์เถิงไตสนาคบเจ็ครบแปดหมืนทีพระธรรมขันผลนั่นท่ามั่งทั้งข้างคือกัน บอกไว้รลาวลวงไปมันได้ท่านันได้ท่านี้มันจิได้ต า, ตายยังไม่ได้แน้วลวงไปคลืึงกำน้ำไหล น, น่ะไหลยัง่ามีก็แม่นคื้นลวงไปลวงไปว่มีก็แม่นคื้นชีวิตสังขารคือกันลวงไปยังว่ามีก็แว่นขึ้นว่ามีเนได้รู้ตามเป็นจริงของข้อมล้มกับของก็ค่อยได้ ได้คมูมสลากรู้ตามเป็นจริงของข้มลงจากของส้นไหนก็รู้ตามเป็นจริงของถ้ำสัำนั่นเหมือนกันก็รู้ตามเป็นจริงของพระพุทธพระธรรมประสงค์นั่นเือกันนั่นองาเรอดเนี่ยซลาบตัวออนลาบข้ามยาแหละอ้อนลาบข้ามยาอ้อนจังไรออนลาบข้ามยาในหมู่ล้านเพื่อนเธอขงี่ กันยอมกันโบราเน่แม่ว่าออกฟังขาบหนาเพื่อนข้าดเพ่นเสียงเหรออ่อนน่ะมันจะเอาโบล่าคนว่าโบราาในข่าบหนาขาบมันเอียหรอก็นย่อมเนี่ยอันนี้ก็คือกันอันย้อนอ่อนหลาขาดหนาเนี่ยว้าตาสงสารเนี่ยมาเกิดมาแกมาเก็บมาตาย่างเข้าวายักษ์มากมันเสียแรมากในแต่เข้าวายักษ์มากผู้จะก่อมันจะได้มาเนี่มันมาก่าสัน บอกใกล้ๆนี่ก็ไตัวข้าวปจากมามันสียจมาอยงไรข้าบอมากมันสียากม้าไงคือผัวงเมียลูกเขาบอมากันไปแจ้งเขาตองรอเขาบอบกันตัวกระทืพู่งขึ้นกันเลก็จอาแต่งให้ตัวเอาตัวบวบเจ้านตัวว่าไปซะก็จะเขามาเอาตัว เขาอันพูมันจิเอาตรงมันกับว่ามาขึ้นการละแต่ว่าอะไนเนาะอันนี้ก็อกันการละเขามายากมากมันสียดมากอะมาเกิดม้าในวัดตาลสงสารขา้าเห็นไพ่เห็นโทษมันเป็นทุกข์แลมันเสยม้าไอย่างเขากับวัชรกมาากมันก็เรศเป็นกายเป็นสีเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นนิพพิธาเวลาข่าวมีรรคสุทีมี้านในตัวพวาะข้ามีข้อเบื่อหน่ายมีวามเคสหลาบเลยเด้ เขาเคล็ดาบไม่ควบมาเกิดมะแกมะเก้ย ม, ม, ม, มาตาเนี่ยว่าตาล้องศาลน่ะมันก็เลยกลายเป็นตัวศีลกลายเป็นตัวสมาธิกลายเป็นตัวปัญญากลายเป็นพรุทธพระธมพระสงฆ์เนี่นตัวละกลายเป็นมรรคผลนผี่พลาเนี่ในตัวที่ว่าไหสมสอืมมันหาสิบไปเที่ยทองงามงามงงางงามอยู่เนี่เราปกปกปกปก ป, กปกขึ้นออกโผล่ไงทองลุงัง น, งนส้เงเงงาเงบ่เลย ร, รสศาต์ของควเบื่อน า, ายเมา กับรถสากของขวอมเถื่อเถื่ยในวันตาสงสารมันก็ไกลกันปันฝ้ากับเพ่นดินหุ่นหลวงอขอท่านเอาดว่ารถสากของควอมักกับขวอมอมักมันก็ไกลการปันฟ้ากับแพ่นดินหุ่นฝันดึงขาเต้าหุ่นปันเท้ามากปันดึงขาเต้าน่ะมันตบตบตบขึ้นกระดองมันหุ่นเราเห็นอย่างเต็มที่แหละ ตายแก่เก็บตายก็เห็นอย่างเต็มทีเลยเกิดเคยเห็นอย่างเต็มทีแลยแก่ก็เห็นอย่างต็มทีเลยเก็บก็เห็นอย่างเต็มที่ตายก็เห็นอย่างเต็มที่หิวก็เห็นอย่างเต็มที่อยากก็เห็นอย่างเต็มที่เลย่มียนไฟกูสนองเมืองมึงสนองกูกูแย่เมืองมึงแย่งกูกูฆ่าเมืองมึงฆ่ากูกูรักของเมืองมึงรักของกูกูจี้ป้นเมืองมึงขี้ก้นต้นกูกูผิดกับมืองมึงผิดกับกูมันก็เห็นกันอยู่แล้วในวัตถุทั้งสามนั่น นกหนูนปูปีกอะไรเดียดเยินกันเชื่งกันและกันมีแต่กองทุกข์อาหาระประเดีย๋ยวทัดเดี๋ยวทุกในการหากินสัตว์ทั้งหลายหากินเสี่ยงต่ออันตรายเช่นปลาออกหากินตัวใหญ่ก็กินตัวน้อยตัวน้อยก็กินตัวเล็กลงไปอีกก็เห็นกันอยู่เฉพาะทุกข์ทั้งหลายก็มารวมอยู่ในโลกนี่ ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายก็มารวมทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นทุกขังอริยะสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐทุกขะสมุทโยเหตุให้เกิดทุกก็คือความทะเยอทยานในทุกนั่นเองทุกขะนิโรธคามินีการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็เป็นของจริงอยู่ก็มีอยู่ทุกคนไปแล้วก็เป็นของจริงก็มีอยู่นั่น จงพยายามออกกากลมเหมือนชางและคุณชรพยายามออกกากลมฉะนั้นยังไม่ทันเป็นพระรหังเธอทั้งหลายอย่านอนใจในวัดตาสงสารโอ้พระบมราสดาเธอทั้งหลายนอนใจในวัดตาสงสาร ก็ถ้ากลับว่านอนใจในหลุมมูดลุมคูดหรือลุมฐานเพิง <c oughs> เธอทั้งหลายจงมาเถิดเธอทั้งหลายจงมาเถิดอย่านอนใจนักอย่านอนใจนักอย่าเพลิดเพลินในหลุมฐานเพิงเลยเ อ, อิ่นยู่ว่ามีคนม่งินคืนมั น, น, นมเป็นเสียงใดเสียงดังทั่วไตโลกธาตุเนี่ย เพราะว่าเสียงดังคือเสียงปืนเสียงอะไรจะไปดังท่อเสียงมาคนพระทรรประสงไม่รู้อันหอสั่ดังไปทั้งดีก็ได้ดังไปทั้งทัวกับไฟดังท่อมรหกดังพระเทวทัตลงมรหกนะฮะกีนรกไปจะไปดังท่อเสียงฝ้าดังแล้วมัอกนั่งเศร้าเป็นเป็นย่ามเป็ยามอันมันดังเลยมัน่องกันเรื่องนขึ้นทั้งดีพ้นทังพระนิพพานมาคนนิพพานกันดังเลยมร่องเรื่องขึ้น ทั้งส่วกันดังอยู่มั้เนียกระเวนขึ้นดังแข้งกันเนีนี่พวกเห็นบอกพวกไปทางส่วดังอยู่มเนี่ยกระเว้นขึ้นพวกรบหน้าขาฟันกันดังอยู่กันอยู่มั้เนี่กระเว้นขึ้นพวกคิบหายไปว่ากันดังอยู่มั้เนี่ยกระเว้นขึ้นพวกล่งมลหกกันดังอยู่มัเนียกระเว้นขึ้นพวกไปสวรรค์กนดังอยู่มเนี่ยกระเว้นขึ้นใชว่างเนี่ดังอันว่าดังทางในทางสิบประดังนาง พันนี้ผ an, Spark, ering, warm, ่านกันดังอยู่ม่มีเวื่นขึ้นแต่ว่าพวกนักป่าช่างสีแดงยินพวกนักเปรดหูหนวกก็ไม่ได้ยินหอกเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจฟังออกอะไรฮะเนี่ยป่าปาะนาวอะไประมาณเมื่อยหน่ะพวกพระเพิ่งไปต้อนหําเพิ่ก็เมื่อยพวเพื่อนพรเพิ่ไปต้อนหนาเพิ่งก็เมื่อยอน